อาสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกข้าแต่พระมหาวีระอัฏฐปฏิสัมพิทาญานธรรมปฏิสัมพิทาญานนิรุตติปฏิสัมพิทาญานและปฏิภาณปฏิสัมพิทาญานของหม่อมฉันทั้งหลายที่มีอยู่ล้วนเกิดขึ้นแล้วในสำนักของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำทรงเป็นมหามุนี พระองค์ทรงเป็นผู้ที่หม่อมฉันทั้งหลายมีจิตเมตตาปฏิบัติขอพระองค์โปรดทรงอนุ ญ, ญาตให้หม่อมฉันทั้งหมดนิพพานเถิดพระชินเจ้าได้ตรัสว่าเมื่อเธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าจากนิพพานเราตถาคตจะไปกล่าวอะไรได้ก็บัดนี้เธอทั้งหลายจงสำคัญการอันสมควรเถิดครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นมีพระโคตมีเถรีเป็นอาทิว่ายพระชินเจ้าแล้ว ได้พากันลุกจากที่นั่งนั้นไปพระธีรเจ้าทรงเป็นผู้นำชนเลิศของโลกพร้อมด้วยหมู่ชนจำนวนมากได้เสด็จไปส่งพระมาตุชาจนถึงซุ้มประตูครั้งนั้นพระโคตมีเทรีพร้อมด้วยพิสุณีทุกรูปนอกนี้ได้พากันหมอบลงแท้พระยุคลบาทของพระาศาสดาผู้เป็นเผ่าพันธ์ของโลกแล้วกราบทูลว่านี้เป็นการกราบพระยุคบาทครั้งสุดท้าย นี้เป็นการเห็นพระโล ก, ก น, นาคร้งสุดท้ายของหม่อมฉันหม่อมฉันจักไม่ได้เห็นพระพักซึ่งมีอาการดังน้ำอมฤตของพระองค์อีกข้าแต่พระวีระผู้เลิศในโลกการกราบไหว้ของหม่อมฉันจักไม่สัมผัส พ, พระยุ ค, คลบาทอันละเอียดอ่อนของพระองค์อีกวันนี้หม่อมฉันจะนิพพานพระศาสดาตรัสว่าจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอด้วยรูปนี้ เมื่อทำที่เธอเห็นแล้วตามความเป็นจริงสังกตะธรรมทั้งปวงนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งมิใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีและเป็นของเลวสามพระมหาปชาบดีเทรีพร้อมด้วยภิกษุณีเหล่านั้นกลับไปยังสำนักของตนแล้วนั่งขัดสมาธิชั้นเดียวบนอาสนะที่ประเสริฐครั้งนั้นอุบาสิกาทั้งหลายในที่นั้นผู้มีความเคารพรักในพุทธศาสนาได้สับความเป็นไปของพระนาง ต่างก็เข้าไปนมัส ก, การพระยุคคลบาทใช้มือตกอกร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารอัดอั้นตันใจด้วยความเศร้าโศกลม้มลงที่ผ้าพื้นดุดเทาวันที่มีราขาดแล้วกองลงรำพันด้วยวาจาว่าข้าแต่พระแม่เจ้าผู้ประธานที่พึ่งแกลม่อมฉันทั้งหลายพระแม่เจ้าอย่าได้ละทิ้งหม่อมฉันทั้งหลายนิพานเลยหม่อมฉันทุกคนขอศพเสียนอ้อนวอน พระมหาประชาบดีเทรีรูปศีระของอุบาสิกาผู้มีศรัทธามีปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้าของอุบาสิกาเหล่านั้นได้กล่าวคำนี้ว่าลูกทั้งหลายเอย๋ยอย่าเลยการพร่เพอซึ่งเป็นไปในบวงแห่งมารสังฆตะธรรมทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงมีแต่จะวันไหวพระพรากจากกันไปต่อจากนั้นพระนางก็ละอุบาสิกาเหล่านั้นแล้ว ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานอันยอดเยี่ยมแล้วเข้าอากาสานัญญาตนะฌานวิญญาณัญจาตนะฌานอากินัญญาตนะฌานและเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานตามลําดับแล้วพระโคตมีเถรีก็เข้าฌานทั้งหลายโดยปฏิโลมจนถึงปฐมฌานเข้าฌานทั้งสามจนถึงจตุตฌาน ครั้นออกจากจตุตชานแล้วไม่มีอาสวะนิพพานเหมือนดวงประทีตหมดเชื้อดับไปได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่สายฟ้าก็ผ่าลงมาจากนภาอากาศกลองทิพย์ก็บรรลอลั่นขึ้นเองเทพทั้งหลายพาบันคร่ำครวญและฝนดอกไม้ก็โปรยปลายจากอากาศลงสู่พื้นดินแม้ภูเขาเมรุราชก็กำปนาดวันไว เหมือนคนเต้นรำท่ามกลางโรงเต้นรำทะเลก็ปั่นป่วนครวนครางเพราะความเศร้าโศกเทพนาคอสศรลและพรหม่างก็พากันสลดใจกล่าวขึ้นในขณะนั้นเองว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอเหมือนอย่างพระมหาประชาบดีเถรีนี้ถึงความย่อยยับไปแล้วพระเทรีทั้งหลายผู้ทำตามคำสั่งสอนของพระาศาสดา ซึ่งห้อมล้อมพระมหาประชาบดีเทรีนี้ก็มียึดมั่นถือมั่นพากนิพพานไปแล้วเหมือนดวงประทีตหมดเชื้อดับไปโอความประจวบ ก, กันมีความพรดพรากเป็นที่สุดโอสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งล้วนไม่เที่ยงโอชีวิตมีความพินาศเป็นที่สุดการครําครวญได้มีแล้วด้วยประการฉนี้ ลำดับนั้นเทวดาและพรมต่างกเข้าไปเฝ้าพระฤาษีผู้ประเสรศิฐจึงทำความประพฤติตามโลกธรรมสมควรแก่การครั้งนั้นพระศ า, าสดาตรัสเรียกพระอานนท์ผู้เป็นพระหูสูตรมีปัญญาดุดท่วงน้ามาสั่งว่าอานนท์เธอจงไปประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบถึงการปริิพานของพระมารดาในการนั้นท่านพระานนท์หมดความแช่มชื่นมีน้าตานองนยนา ประกาศด้วยเสียงสันเครือว่าขอภิกษุทั้งหลายจงมาประชุมกันเคอภิกษุทั้งหลายที่เป็นโอรสของพระสุคตทั้งที่อยู่ในทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือภิกษุนีนั้นเป็นมารดาของเราผู้ประคบประงมสิริระสุดท้ายของพระมุนีให้เจริญด้วยน้ำนมของตนภิกษุนีนั้นคือพระโคตมีเถรี ดับสนิทแล้วเหมือนดวงดาวดับแสงในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นพระนางทรงประกาศให้รู้ว่าเป็นพุทธมารดาแล้วนิพพานซึ่งเป็นที่ที่คนแม้มีดวงตาห้าดวงก็มองไม่เห็นแต่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นผู้นำทรงเห็นได้ขอพระโอรสของพระสุคตผู้มีศรัทธาในพระสุคตหรือเป็นศิษย์ของพระมหามุนีจงทำสักระพุทธมารดาเถิด ภิกษุทั้งหลายถึงอยู่ในที่ไกลแสนไกลได้สดับคำประกาศนั้นแล้วก็รีบมาบางพวกมาด้วยพุทธานุภาพบางพวกที่ชำนาญในฤทธ์ก็มาด้วยฤทธ์ของตนต่างช่วยกันยกเตียงที่พระโคตมีเทรีนอนสงบนิ่งขึ้นตั้งบนเรือนยอดที่ประเสรศิฐสำเร็จด้วยทองคำล้วนงดงามน่ายินดีเท้าโลกบาลทั้งสี่ต่างก็ใช้บารองรับเรือนยอดไว เทวดาที่เหลือมีเท้าสักกะเทวราชเป็นต้นก็เข้าช่วยรับเรือนยอดด้วยก็เรืนยอดทั้งหมดมีห้าร้อยหลังวิสุกรรมเทพบุตรได้เนรมิตขึ้นมีสีเหมือนดวงอาทิตย์ในสาธการภิกษุณีทั้งหมดผู้นอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงในที่นั้นก็ถูกเทพทั้งหลายแบกนำออกไปตามลำดับพื้นนภากาถูกเพดานบังไว้ทั่วที่เพดานนั้นมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ พร้อมทั้งดวงดาวที่ทําด้วยทองคําประดับติดไว้ธงป่าตากธงผ้าได้ถูกยกขึ้นประดับไว้เป็นอันมากเครื่องคลุมดอกไม้ที่สวยงามดอกบนในอากาศมีปลายห้อยลงส่วนดอกไม้ที่พื้นดินมีปลายชี้ขึ้นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ปรากฏและดวงดาวทั้งหลายก็ส่องแสงอันหนึง่งดวงอาทิตย์แม้อยู่ในเวลาที่อย่างวันก็เหมือนดวงจันทร์ไม่ส่องแสงให้เร่าร้อน เทพทั้งหลายพากันบูชาด้วยของหอมและดอกไม้มีกลิ่นหอมด้วยการประคมดนตรีฟ้อนรำและขับร้องอันเป็นทิพย์นาคอาสนและพรหมต่างก็พากันบูชาพุทธมารดาผู้นิพพานซึ่งถูกเขานำออกไปแล้วตามความสามารถตามกำลังภิกษุณีผู้เป็นโอรสของพระสุคตซึ่งนิพพานแล้วทั้งหมดถูกอัญเชิญไปข้างหน้าพระโคตมีเถรีผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้า ผู้อันเทวดาและมนุษย์สั ก, กระแล้วถูกอัญเชิญแต่ข้างหลังเทวดามนุษย์พร้อมด้วยนาคอสูรและพรหมไปข้างหน้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกเสด็จไปข้างหลังเพื่อบูชาพุทธมารดาการปรินิพานของพระพุทธเจ้าหาได้เป็นเช่นการปรินิพานของพระโคตมีเถรีไม่การปรินิพานของพระโคตมีเถรีอาจจะรย์ยิ่งนัก ในเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทปรินิพานไม่มีพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นเหมือนในเวลาที่พระโคตมีเทรีนิพานซึ่งมีทั้งพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นชนทั้งหลายเชื่อกันทําจิตปาทานซึ่งสำเร็จด้วยไม้มีกลิ่นหอมล้วนและโปรยจุนเครื่องหอมแล้วชาปนกิจภิกษุณีเหล่านั้นบนจิตปลาทานนั้นนั้น ตซนที่เหลือถูกไฟไหม้ไปสิ้นเหลือไว้เพียงอัติก็เวลานั้นท่านพระอนนท์ได้กล่าววาจาให้เกิดความสังเวชว่าพระโคตมีเถรีนิพพานแล้วพระศุริระของพระนางก็ถูกเผาแล้วกําหนดได้ว่าการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านี้คงจะมีโดยการไม่นานจากนั้นท่านพระอนนท์ถูกพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนจึงได้น้อมนอาําอัติท่าของพระโคตมีเถรี ซึ่งอยู่ในบาทของพระนางเข้ามาถวายพระโลกนาคพระผู้มีประภาคผู้เป็นฤาษีผู้ประเรสริฐทรงใช้ประหัตประครองอธัธิเหล่านั้นได้ตรัสว่าต้นไม้ใหญ่มีแ่นยืนต้นถึงจะมีลำต้นใหญ่โตก็พึงหักทำลายไปได้เพราะความไม่เที่ยงพระโคตมีเถเรียก็เหมือนกันถึงจะเป็นยายขวาภิษุนีสงก็ปรินิพานไปแล้วดูเถิดอานน พุทธมารดาแม้ปรินิพานแล้วเหลือเพียงสรีระธาตุเธอก็ไม่ควรเศร้าโศกคร่ำครวญถึงคนอื่นๆก็ไม่ควรเศร้าโศกถึงพระนางผู้ข้ามห่วงน้ำเคยสังสารวัตไปแล้วละเว้นเหตุที่ทําให้เดือดร้อนได้แล้วเป็นผู้เย็นดับสนิทแล้วพระนางเป็นบัณฑิตมีปัญญามากและมีปัญญากว้างขวางทั้งเป็นรัตันญูคว่าภิกษุณีทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงทราบอย่างนี้เถิดพระโคตมีเถรีเป็นผู้ชำนาญในฤทธิ์มีทิพย์โสตธาตุและในเจตัวปริยญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณทิพยจักสุพระโคตมีเถรีก็ชำระให้หมดจดแล้วอารวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกอัตถาปฏิสัมพิทาญาณธรรมะปฏิสัมพิทาญาณ นิรุตติปฏิจัมพิทายานปฏิพาณปฏิสัมพิทายาณก็บริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นพระโคตมีเทรีนั้นอันใครๆไม่ควรเศร้าโศกถึงความเป็นไปของไฟที่ลุกโผลงขึ้นที่ถูกแผ่นเหล็กหนาทับไว้แล้วดับสนิทไปตามลำดับใครๆก็รู้ไม่ได้ฉันใดคติของผู้หลุดพ้นโดยชอบแล้วซึ่งข้ามเครื่องผูพันเือกามและโอคะได้ บรรลุบทอันไม่วันไว้ย่อมไม่มีเพื่อจะให้ใครใครรู้ได้ก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีสติปัญฐาเป็นโคจรเธอทั้งหลายเจริญโพ่อชงเจตประการแล้วจากทําที่สุดแห่งทุกได้ได้ทราบว่าพระนางมหาปชาปดีโคตมีพิสุณีได้พาศึกษาเหล่านี้ด้วยประการชน้ มหาประชาปฏีโคตมีเทริยาประธานที่เจ็ดจบแเขมาเทริยาประธานประวัติในเดจจ่าของพระเขมาเทรีพระเขมาเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในเดจจ่าของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้มีพระจักษุในธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำ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 จึงทูลนิมนต์พระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษพร้อมทั้งสาวกให้สวยและฉันตลอดเจ็ดวันเมื่อเจ็ดวันล่วงไปแล้วพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นสารถีฝึกนรชนทรงตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งซึ่งสูงสุดฝ่ายภิกษุณีผู้มีปัญญามากในเอตทัคคะมอมฉันได้ฟังเรื่องนั้นแล้วมีความยินดีทำสักระพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นแล้ว แล้วมอบลงปราถนาตำแหน่งนั้นแต่นั้นพระชินเจ้าพระองค์นั้นตรัสกหม่อมฉันว่าความปราถนาของเธอจกสำเร็จจักระะที่เธอทำแล้วแก่เราพร้อมทั้งประสงน์นี้มีผลประมาณมิได้ในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากาค า, าราชจากอุบัติขึ้นในโลก สตรีผู้นี้จะเป็นภิกษุณีมีนามว่าเขมาเป็นธรรมธายาของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรจากได้ตำแหน่งอันเลิศนี้ด้วยกรรมที่หม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันละกลายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดาวดึงหม่อมฉันจุติจากสวรรค์ชั้นเดาวดึงนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามา จุติจากสวรรค์ชั้นยามานั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ь. จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีจุติจากสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นปรณิมิตวัสวัตดีเพราะอำนาจแห่งกรรมนัม้นมอมฉันเกิดในภพใดๆ ใ, ในภพนั้นๆก็ได้เป็นพระมเหสีของพระราชา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 งดงามน่าทศนายิ่งนักทรงเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขึ้นแล้วหม่อมฉันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงเป็นสารถีฝึกนรชนได้ฟังธรรมที่ปราณีตแล้วจึงออกบวชเป็นบรรณชิตประพฤติพรหมจัณฑ์อยู่ในศาสนาของพระวีรเจ้าพระองค์นั้นตลอดหนึ่งหมืนปีประกอบความเพียรเป็นพหูสูตรฉลาดในปัญญการ ชำนาญในสัจจะสี่มีปัญญาละเอียดแสดงธรรมไพเราะปฏิบัติตามสัตุศาสตร์ด้วยผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์มอมฉันจุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นผู้มียศเสวยสมบัติอยู่ในภพนั้นและภพอื่นมอมฉันเกิดในภพใดๆก็เป็นผู้มีโภคะมากมีทรัพย์มากมีปัญญามีรูปงามมีบริวารชนที่เชื่อฟัง เลือกกรรมและความเพียรในศาสนาของพระชินเจ้านั้นหม่อมฉันเป็นที่รักดัง ด, งดวงใจของสามีสมบัติทุกอย่างหม่อมฉันได้โดยง่ายด้วยผลแห่งการปฏิบัติของหม่อมฉันเมื่อหม่อมฉันอยู่ณที่ใดใดผู้ที่เป็นสามีหม่อมฉันก็ไม่ดูหมิน่นทั้งใครอื่นๆก็ไม่ดูหมิ่นหม่อมฉันในพัทระกับนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์มีประย์ยิ่งใหญ่พระนามว่า โนาคมะณะประเสริฐกว่าเจ้าลทัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นเองชนสามคนคือนางธนัญชานีพราหมณีพระนางสุเมธาเทรีและม่อมฉันเป็นคนของตระกูลที่สำเร็จความประสงค์ทุกอย่างในกรุงพาราณสีมอมฉันทั้งหลายได้ถวายสังขารามแก่พระมุนีหลายพันองค์และได้สร้างวิหารอุทิศถวายพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสงสาวก มุมชันทั้งหลายทั้งหมดพากันจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศและเมื่อเกิดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันในกลับนี้เองพระพุทธเจ้าพระนามว่ากระสปะตามพระโคดผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์มีพระยศยิ่งใหญ่ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกี เป็นใหญ่กว่า น, นรชนในครุงพรารณสีที่ประเสริฐสุดท่งเป็นอุปทาของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มอมฉันเป็นที่ดาคนโตของพระองค์มีนามปรากฏว่าส ม, มณีได้ฟังธรรมของพระชินเจ้าผู้เลิศแล้วพอใจการบรประชาแต่พระชนกนาถมิได้ทรงอนุญาตให้มอมฉันทั้งหลายบวชครั้งนั้นมอมฉันทั้งหลายมิเกียรคร้านครองเรือนอยู่สองมื่นปี พระราชกัญญาทั้งเจพระองค์มีความสุขประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังเป็นกุมารีเพื่อเพลินยินดีอุปถามพระพุทธเจ้าคือหนึ่งพระนางสมณีสองพระนางสมณคุตตา 3. พระนางภิกษุณีสพระนางภิกขุทาสิกาหพระนางธรรมมา 6. พระนางสุธรรมมา7พระนางสังฆทาสิกา พระราชธิดาทั้งเจ็ดนั้นได้กลับชาติมาเกิดคือหม่อมฉันหนึ่งพระอุบลวรรณเถรีหนึ่งพระปตาจาราเทรีหนึ่งพระกุณฑลเกสีเถรีหนึ่งพระขีสาโคตมีเทรีหนึ่งพระธรรมทินนาเทรีหนึ่งและคนที่เจ็ดเป็นวิสาขามาหาอุบาสิกาบางครั้งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นดังดวงอาทิตย์ของนรชน ทรงแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์มอมฉันได้ฟังมหานิทานสูตรแล้วนำมาศึกษาปฏิบัติอยู่ด้วยกรรมทั้งหลายที่มอมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มัน่นมอมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้เกิดเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้เป็นภพสุดท้ายมอมฉันเป็นพระธิดาที่พอพระไทยรักใคร่โปรดปรานของพระเจ้ามัทราชในสากลนครที่รวมสมบูรณ์ พร้อมกับในกาลที่หมอมชันพอเกิดมานะคร น, นั้นได้มีแต่ความกระเสมสำราญเพราะฉะนั้นนามว่าเขมาจึงเกิดขึ้นแก่หมอมชันโดยคุณเมื่อหมอมชันเจริญวัยเป็นสาวมีรูปร่างและผิวพรรณงดงามพระราชบิดาก็โปรดประทานหมอมชันแก่พระเจ้าพิมพิสารหมอมชันเป็นที่โปรดปรานของพระราชสวามีนั้นยินดีแต่เนกาลบารุงรูปโฉม ไม่เอื้อเฟื้ออย่างมากด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้ามีปกติกล่าวโทษของรูปครั้งนั้นพระเจ้าพินพิสารทรงโปรดให้นักขับขับร้องเพลงพรนน า, นาพระเวลุวันเจาะจงหม่อมฉันเพื่ออนุเคราะห์หม่อมฉันให้มีความรู้สึกหม่อมฉันสําคัญว่าพระเวลุวันซึ่งเป็นที่ประทับของพระสุคดเป็นสถานที่น่ารื่นรมผู้ใดยังไม่ได้เห็นผู้นั้นก็จัดว่ายังไม่ได้เห็นสวนนันทวัน พระเวลุวันซึ่งเป็นสถานที่น่าเพลิดเพลินยินดีของนรชนผู้ใดได้เห็นแล้วผู้นั้นเหมือนได้เห็นสวนนันทวันซึ่งเป็นสถานที่เพลิดเพลินของเท้าอมารินทราธิราชเท้าสักกะเทวราชและเทพทั้งหลายละสวนนันทวันแล้วลงมาที่พื้นปฐพีเห็นพระเวลุวันที่น่าเริ่นรมแล้วก็อาศจรใจม่รู้เบื่อพระเวลุวันเกิดขึ้นพระบุญของพระราชา อันบุญยาณุภาพแห่งพระพุทธเจ้าประดับแล้วใครเล่าจะประมวลคุณแห่งพระเวรุวันมากล่าวให้หมดสิ้นได้ครั้งนั้นหม่อมฉันได้ฟังความสำเร็จแห่งสมบัติของพระเวรุวันที่เสน่ห์โสดไพเราะจับใจหม่อมฉันใครจะได้ชมอุทยานนั้นจึงกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงโปร่งส่งหม่อมฉันผู้มุ่งจะชมอุทยานนั้น ไปพร้อมด้วยบริวารเป็นจนํานวนมากด้วยพระดํารัสว่าพระนางผู้มีโภคะเป็นอันมากเชิญไปชมพระเวรุวันซึ่งเป็นที่สบายตาซึ่งเปล่งปลั่งด้วยพระรัศมีของพระสุคตสว่างสวัยด้วยพระสิริตลอดเวลามอมฉันทูลว่าเมื่อใดพระมุนีเสด็จเข้ามาทรงรับบินทบาทยังกรุงราชครือ้อนยอดเยี่ยมเมื่อนั้นมอมฉันจะเข้าไปชมพระเวรุวันมหาวิหาร ขณะนั้นพระเวฬุวันมหาวิหารมีสวนดอกไม้ที่แย้มบานมีเสียงหึืงด้วยหมู่พมร น, น, นานาชนิดมีเสียงนกดูว่าวร่ำร้องทั้งหมู่นกยูงข้อรำแพนสงัดจากเสียงอย่างอื่นไม่พลุกพล่านประดับไปด้วยที่จงกรมต่างๆสะพร่างไปด้วยแถวแห่งปูดีและมนดบเรียงรายไปด้วยพระโยคีผู้บำเพ็ญเพียรมอมฉันเมื่อเดินเที่ยวไปได้รู้สึกว่า ในตาของเรามีประโยชน์ครั้งนั้นมอมฉันเห็นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งประกอบกิดอยู่แล้วคิดไปว่าภิกษุนี้ยังอยู่ในวัยรุ่นหนุ่มมีรูปงามหน้าปราถนาปฏิบัติดีอยู่ในป่าที่น่ารื่นรมเช่นนี้เหมือนคนอยู่ในที่มืดภิกษุนี้มีศีรษะโลนห่มผ้าสังฆาตินั่งอยู่ที่โคนไม้และความยินดีที่เกิดจากอารมณ์เข้าฌานอยู่นอ ธรรมดาครหัดบริโภคกามอย่างมีความสุขแก่แล้วจึงควรประพฤติธรรมอันดีงามนี้ในภายหลังมิใช่หรือมอมฉันเข้าใจว่าพระคันทกุดีที่ประทับแผงพระชินเจา้าว่างเปล่าจึงเดินเข้าไปได้เห็นพระชินเจา้าผู้งดงามดังดว ง, งอาทิตย์อุทยัยประทับสำราญอยู่พระองค์เดียวมีสตรีสาวสวยพัดวีอยู่ครั้นแล้วจึงมีความคิดผิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคผู้องค์อากว่านรชนพระองค์นี้ไม่ได้เจ้าหมองเลยหญิงสาวนั้นก็มีรัศมีเปล่งปลั่งดังทองธรรมชาติมีหน้าตางดงามดังปฐุมธรรมชาติริมฝีปากข้อแดงดังผลตำลึงสุกชำรงมองแต่น้อยเป็นที่ติดตาตรึงใจยิ่งนักมีลำแขนงามเหมือนทองคําวงหน้าสวยทันทั้งคู่ก็แต่งตงึงดังดอกโบตูมมีเอวคอดกลมกลึง สะโพกพึงพายลำขาหน้ายินดีมีเครื่องประดับสวยงามผ้าสบมีสีแดงแวววาวนุ่งห่มผ้าเนื้อกเกลี้ยงสีเขียวมีรูปสมบัติที่ชวนชมโดยไม่รู้เบื่อประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกชนิดมอมฉันเห็นสตรีสาวนั้นแล้วจึงคิดว่าโอสตรีสาวคนนี้มีรูปงามเหลือเกินเราไม่เคยเห็นด้วยในตาดวงนี้ในที่ไหนไหนมาก่อนเลยขณะนั้น สตรีสาวคนนั้นถูกชรา ย, ย่ำยีมีผิวพรรณแปลกไปปากอ้าฟันหักผมงอน้ำลายไหลหน้าไม่สะอาดหูตึงในตาฝ้าฟางถันหย่อนยานไม่งามเหียวย่นทั่วกายมีศีสะและร่างกายสั่น ง, งันงกหลังงอมีไม่เท้าเป็นเพื่อนเดินร่างกายสู้ผอมซีดไปสั่น ง, งันงกลม้มลงแล้วหายใจถีถี จากนั้นความสังเวทที่ก่อให้เกิดขนพองสยองกล้าวซึ่งไม่เคยมีก็ได้มีแหม่อมฉันว่าหน้าติเตียนรูปไม่สะอาดที่พวกคนเขายินดีฟันครั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณามีจิตเบิกบานสมนัติทอดพระเนตรเห็นหม่อมฉันผู้มีใจสังเวทแล้วจึงตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเขมา เธอจงดูรูปกายที่กระสับกระสายไม่สะอาดเปื่อยเน่ามีของเหลวไหลเข้าและไหลออกที่พวกคนข่าวพาพันยินดียิ่งนักเธอจงอบรมจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวด้วยอารมณ์ที่ไม่งามเถิดเธอจงเจริญกายกตาสติมากไปด้วยความเบื่อหน่ายเถิดรูปของหญิงนี้เป็นฉันใดรูปกายของเธอนั้นก็เป็นฉันนั้นรูปกายของเธอนั้นเป็นฉันใด รูปของหญิงนี้ก็เป็นฉันนั้นเธอจงคลายความยินดีพอใจในกายทั้งภายในและภายนอกเธอจงอบรมอนิมิตตวิโมกจงละมานานุสัยเสียแต่นั้นเธอจักเป็นผู้อยู่อย่างสงบเพราะมานานุสัยสงบระ ง, งับไปชนเหล่าใดกำหนัดเพราะราคะเกาะติกกระแสนอยู่เหมือนแมลงมุมเกยาะใยอยู่ตรงกลางที่ทำไว้เอง ชนเหล่านั้นตักกระแสราคานั้นแล้วไม่มีความอาลัยและกลามสุขหลีกไปครั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นสารถีฝึกนรชนทรงทราบว่าม่อมฉันมีจิต ค, ควรแล้วจึงทรงสแสดงมหานิทานสูตรเพื่อทรงแนะนำหม่อมฉันม่อมฉันได้ฟังพระสูตรอันประเสริฐนั้นแล้วจึงระลึกถึงสัญญาในการก่อนได้ตั้งมั่นอยู่ในสัญญานั้นแล้วชําระธรรมจักษุให้หมดจด ขณะนั้นมอมฉันมอบลงแท่พระยุคลาบาทของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อประสงค์จะแสดงโทษจึงได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเห็นแจ้งในธรรมทัทงงมองปวงมอมฉันขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบอกเกิดแทงพระมหากรุณามอมฉันขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เสด็จข้ามวัฏสงสารได้แล้ว หม่อมฉันขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงประธานอมตะธรรมหม่อมฉันขอนอบน้อมพระองค์หม่อมฉันจมอยู่ในมิจฉาทิฏฐิหลงไหลเพราะกลรามาราคะพระองค์ทรงแนะนำด้วยอุบายที่ชอบเป็นผู้ยินดีในธรรมที่ทรงแนะนำสัตว์ทั้งหลายพักรากจากประโยชน์เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เช่นพระองค์ จึงประสบมหันตทุกข์อยู่ในสงสารสาครในการใดหมอมฉันยังไม่ได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกผู้ไม่มีค่าเสือเกิีเลตทรงถึงที่สุดแห่งมรณะธรรมทรงมีธรรมที่เป็นประโยชน์อย่างดีหมอมฉันขอแสดงโทษนั้นหมอมฉันมัวแต่ยินดีในรูประแวงว่าพระองค์จะไม่เป็นประโยชน์จึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ ผู้ทรงมีความเกลื้อกูลมากทรงประทานพระธรรมที่ประเสริฐหม่อมฉันขอแสดงโทษนั้นครั้งนั้นพระชินเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณามีพระสุรเสียงไพเราะและกล้องกรงวานเมื่อจะทรงใช้น้ำำําอมฤตรดหม่อมฉันจึงตรัสว่าลูกขึ้นเถิดเขามาครั้งนั้นหม่อมฉันประนตน้อมนมัส ก, การด้วยเสียงกล่าวทําประทักเิีพระองค์แล้วกลับไปเฝ้าพระราชา ผู้เป็นใหญ่ขวานราชนแล้วกราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ย่ำยีข้าศึกอุบายที่พระองค์ทรงดำริแล้วโดยชอบนี้น่าอาจจัศจรรย์ม่อมฉันผู้ปรารถนาจะเที่ยวชมพระเวลุวันมหาวิหารเด้เฝ้าพระมุนีผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังป่าแล้วข้าแต่พระราชาถ้าพระองค์ทรงพอพระทัยม่อมฉันผู้เบื่อนายในรูปตามที่พระมุนีทรงตรัสสอนแล้ว จากบวในศาสนาของพระมุนีผู้คงที่พระองค์นั้นภาณวาระที่สองจบครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าพิมพิสารพระองค์นั้นทรงประคองอัญเชลีตรัสว่าพระน้องนางที่อนุญาตแก่เธอขอาการบรรพชาจงสำเร็จแก่เธอเถิดครั้งนั้นมอมฉันบวมาแล้วผ่านไปเจ็ดเดือนเห็นประทีปสว่างขึ้่นและดับไปจึงมีใจสังเวช มีความเบื่อหน่ายในสังขานทั้งปวงฉลาดในปัจจยาการข้ามพ้นโอขะสีแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลมอมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในริ์ในทิพโสตธาตุและในเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณทิพยจักสุมอมฉันก็ชำระให้หมดจดแล้วอสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก อัธปฏิสัมพิทาญานธรรมปฏิสัมพิทาญานนิรุตติปฏิสัมพิทาญานและปฏิภาณปฏิสัมพิทาญานที่บริสุทธิ์ของหม่อมชันล้วนเกิดขึ้นแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้ามอมชั้นเป็นผู้ฉลาดในวิสุทธิทั้งหลายคล่องแคล่วในคถาวถัตถุรู้แจ้งในแห่งพระอภิธรรมเชี่ยวชาญในศาสนาจากนั้นพระราชสวามีผู้ฉลาด ตรฐามปัญหาที่ละเอียดลึกซึ้งในโตระนวัตถุหม่อมฉันได้วิจัชนาโดยควรแก่คาถาครั้งนั้นพระราชาเสด็จเข้าเฝ้าออพระสุคตแล้วทูลถามปัญหาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงพยากรปัญหาเหล่านั้นเหมือนอย่างที่หม่อมฉันพยากรพระจีนเจ้าผู้สูงสุดแห่งนราทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้นจึงทรงตั้งหม่อมฉันไว้ในเอตัทคะว่า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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหมอมชันก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกษ์แปและอภินยาหกหมอมชันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหมอมชันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าพระเคมาภิกษุณีได้พาสิกขาเหล่านี้ได้ประกาศรฉรน้เคมาเทรียประธานที่ปดจบ